พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าให้มั่นใจในแนวแถวหลวงปู่มั่นพาดำเนิน ขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยรู้สึกว่าผมว่าหน้าภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้พบพระพุทธศาสนาและก็พร้อมกันก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นที่ท่านนํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนและก็ ต, ตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ให้ท่านให้ความเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ แนะนำสั่งสอนพวกเรามากมายล้วนแล้วจะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสรุปแล้วก็คือถือเมื่อท่านลงรับดับขันจากไปแล้วท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้เราได้เห็นอันนั้นคือกระดูกของพระอาหารหันต์นี่แหละอันนี้นก็คือรูปประธรรมคือรูปภายนอกส่วนนามธรรมนั้นเรามองไม่เห็นท่าน ท่านได้สำเร็จมรรคผลอย่างไรแต่รูปธรรมที่ท่านทิ้งเอาไว้ท่านปล่อยเอาไว้พวกเราได้กราบได้ไวาสการ บ, บูชาก็รล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับของคณะสิทธิาณุสิ์ทั่วนหน้ากันเพราะนันขอให้พวกเราพาลูกพาหลานทุกวงนะบวชมาในพระพุทธศาสนาบวชในพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายนี้แล้วขอให้ตั้งใจภาวนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงจังและจริงใจ มักผลนิพพานก็ไม่เหลือวิสัยที่พวกเราจะได้รับแต่ถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาเชื่อบางไม่เชื่อบางทํำคัดขาดหล่นยังเนี่ยผลที่ได้รับก็คือต ก, ต ก, ต ก, ตกตๆต้นหล่นอีกเช่นเดียวกันเมื่อเราเข้ามาศึกษาปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นในแนวแถวหลวงปู่มั่นอย่างเมื่อเช้าผมก็ได้พูดพวกคณะครูบาอาจารย์ทั้งหมดเกือบสองร้อยท่านก็คงจะมีได้รับมาจากสายต่างๆ ยุบหนอพองหนอบ้างพรังนั้นพรังนี่พรังจักรวาลรังพรังอะไรไม่อะไรต้องมีแต่ถึงยังไงก็เถอะพวกท่านทั้งหลายมาอบรมอยู่เพียงสามสี่ห้าวันเนี่ยคงจะไม่ล่อยหลอคงจะไม่ขาดหายสูญไปไหนกระยองอย่างเก่าเนี่แะแต่เข้ามาขนาดเข้าค่ายเนี่ยในช่วงที่เข้าเข้าค่ายเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายนำทำคำสอนของหลวงปู่มั่นมาประพฤติปฏิบัติก่อนนามา กำกับจิตใจของพวกเราหลวงผูมั่นท่านสอนอย่างไงหลวงปูมั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทธโธก่อนที่พวกเราจะนั่งภาวนาพุทโธแต่และ ว, วันทานเราอยู่ในเข้าคอสอยนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านตามลำพังเราก็นั่งสมาธิก่อนที่นั่งสมาธิเราก็กราบพระซะก่อนถ้ามีห้องพระเราก็กราบพระถ้าไม่มีห้องพระเราก็กลาบ ไปที่นอนของเราที่หมอนของเราหันหน้าไปทางหมอนของเราสมมุติว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ต่อหน้าของเราสมมุติว่าพระพุทธลูกห้องพระอยู่ต่อหน้าของเราจะนั้นก็กราบกราบคุณของท่านพุทโธธรรมโมสังโฆอยากนั้นก่อนนั่งกับสมาธิหรือจะไหวพระสะก่อนก็ได้แล้วก็แผ่เมตตาเมื่อไหว้พระอย่าลืมแผ่เมตตาแผ่เมตตาพระพูดเป็นภาษาใจของเรา ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นเขาขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานีอันนี้แหละคือความคือเราไหว้พระจากนั้นก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเน่ยปนมมือขึ้นระหว่างอกเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมือซะก่อนไหว้ครูซะก่อน ไหวพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบเมื่อไหว้ถึงสมจบแล้วเอามือลงพอเอามือลงแล้วเราแผ่เมตตาอีกก็ได้ข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุกอันนี้คือแผ่เมตตาทําให้จิตใจของเราอ่อนน้อมไม่มีการอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนกับใครๆทั้งหมด พร้อมที่จะให้อภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจใจออกโธกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ที่โคลนต้นโพนั้นท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธนะท่านกําหนดรู้แต่ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น ไม่ได้คิดถึงอดีตที่ผ่านไม่ได้คิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปลายจมูกเท่านั้นนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านเห็นว่าท่านภาวนาทดสอบทดลองดูแล้วว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมาพร้อมที่จะหลุดพร้อมที่จะล่วงพร้อมที่จะห ล, ลุดท่านก็กาหนดลมหายใจเขา้า บริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุโทโธพุโทโธอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มันก็ไม่ให้ส่งจิตใจไปออกไปข้างนอกเหมือนกันหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านได้ผลในการบริกรรมแต่ถ้าไม่บริกรรมมีแต่กาหนดเฉยๆพร้อมที่จะหลุดเพราะนั่นถึงบริกรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้อีก เล็ในระดับหนึ่งพอทัานยานี้จากพุทธโธในขณะที่นั่งร่างร่างกายของเราไม่กระดุกกระดิกมันเข้าออกแต่ลมหายใจเข้าออกก็กำหนดลมออกกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ขณะที่เดินแข่งขาเราขยับเราก็เอาก็พุทธโธไปอยู่ที่กับแข่งขาของเราที่เราก้าวเดินแต่อย่าไปกำหนดลมในขณะที่เดินมันจะสับสนกันขณะนั่ง กำหนดพุโทโธที่ลมหายใจเข้าออกเวลาเดินให้กำหนดพุโทโธไว้ที่ขาก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธนี่แหละให้มีสติสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือภาวนาจากนั้นได้เวลาหรือว่าเรานนนั่งนานเท่าที่จะนานได้นานที่สุดเวลาเก็บปวดก็ต้องสู้ เวทนาจากนั้นจะจิตแทงจะเข้าสู่ความสงบท่านบางคนมันยังหลุดรอดอยู่หลวงพ่อบอกว่าให้ทดลองทดลองนับกันนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองนะนับยังไงหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองนับไปถึงร้อยถ้านับถึงร้อยไม่หลงกลับมาอีกนับหนึ่งอีกถึงร้อยนับได้ถึงสิบครั้งไม่หลงเอไม่ลืมเออนั่งภาวนาบริกรรมพุทธโธต่อไป จิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายแต่ถ้ามันหลงอยู่มันลืมอยู่แสดงว่าสติของเราอ่อนเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกกําหนดให้เข้มแข็งขึ้นอีกหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเวลามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์หายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่คี่คู่คี้คู่ถึงถึงรอ้อแต่ถ้ามันจะหลุดเนี่ยมันจะเบอร์เบอร์เสร็จแล้ว หายใจเข้ามันจะคู่หายใจออกมันจะขี้มันสลับกันแปลว่าสติของเราขาดอันนี้เราสังเกตได้ไ ง, ง่ายง่เพราะนั้นการภาวานาให้สังเกตตัวเองเป็นยังไงไม่ใช่ว่านั่งแต่ละวีละวันก็นั่งสับประ ง, งกงอกงินอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้กำหนดโดยที่ไม่ได้สังเกตตัวเองมันก็ไม่เกิดผลงอกเงยเท่าที่ควรเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ ในทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติส่วนวิปัชนาเดินอย่างไรยังค่อยว่ากันขนาดสมาธิก็ยังเอาตัวไม่รอดจะไปเดินวิปัชนามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับเราเรียนกอไก่ยังไม่ถึงหอนกฮูกเราจะไปเรียนศัพท์ยากๆมันก็ยากเหมือนกันนะมันจาไม่ได้ยากขนาดกไก่ยังไม่ไดเ้เราจะไปเรียนว่าวิทยาศาสตร์อังกฤษ เอี่ยทิดีเศษฐีสับอย่างนั้นสับยากๆกเราจะไปสิ่เรียนได้ยังไงพ่อกอไก่ก็ยังเรียนไม่จบ น, นี้ก็เหมือนกันเราต้องเรียนสมาธิให้จิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรซะก่อนแล้วจึงค่อยเดินวิปัสสนาต่อไปอวันนี้เขาได้พบกับหลวงตาและหมู่คณะที่มา ก็ขอให้ทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติ